อ่านระยาแรกกน่าอ่านจบแล้วก็สุูญเลยนะคนไม่มีน้ำน้ำมาน ก, ก็สุูญได้เราอ่านอะไรในสูญ سبحان الله الرحمن الرحيم อินน الحمد ن ح م و ع و ف ر ب ا و ر ن ومن س ع م ل ن ا ي الله ف ل ه و ي ض ف ش إ ا ل ل ه ش ش ه د أن م ح د و ر و ل ا, أ, إ, أ ل l a h u m m a bikah أصبحنا وبكاه أمسينا وبكاه نحيا وبكاه نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ ما أَخَلَقَ ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي َ ض ُّ مَعَ س َ ب ِ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و ا ت ِ و َ ه و السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ر َ ض ِ ي د ُ بِاللَّهِ رَبَّ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 วารีด้าของนักรู้เองว่าจะน่าของนักรู้เองว่ามีด้าของนักรู้เองซุลลามุอะลัยกุมะลัยฮ์มุลลลลอฮ์อะบาราคัตุที่น้องมุสลิมและมุสลิมทีร่วมน้ำพรุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุบฮุ พูดชมเชยนะครับเวลาที่เขาอ่านคัมภีรอ่านเนี่ยไปเจออายะที่เขาเขียนเอาไว้ว่าสูยูดเขาเขียนไว้ในคัมภีร์ัมรอ่านจะเจอนี้ทั้งหมด14หรือสิห้าที่ในคุณในคัมภีกุรอ่านทุกครั้งที่เราอ่านนะครับก็สูยูดครั้งเดียวอ่า น, นด่าอ่านดัวอะไรไม่เป็นก็ว่าสุบฮานอัลอฮบียล อาละเปยวะร์วูวะฮานะมหาบริสุดยิง่งแต่พระผู้อภิบาลองค์สันอัละอาละผู้ทรงยิงใหญ่ผู้ทงสูงสุดทำไมต้องสุ j u ดเพราะท่านนาบีปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งให้นบีสุ j u ดเราก็สุ j u ดตามนาบีคนที่ไม่สุ j u ดได้ชื่อว่าคนนั้นเป็นคนที่เย่อหยิง่งเราไม่อยากจะให้ อัลลอ์เนี่ยว่าเราตำแหน่เราว่าเป็นคนยื้อยิงจองของอวดดีนั้นเราเนี่ยไม่ว่าอัลลอฮ์จะสั่งอะไรผ่านนบีนบีอัลซอเราปฏิบัติหมดเลยนะครับเท่าทีตัวเองมีความสามารถจะปฏิบัติได้คคุณอัลลอ์นะเราขอบอ่านอัลกุรอานทบัวอัลกุรอานวันลกีอายะเนี่ยอาทิตย์ละสอายะบางทีก็สมอายะบางทีก็หอายะ ดีก็อธิบายไม่ละเอียดเยอะนะเล็ก น, น้อยเพื่อความเข้าใจของพวกเราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงมลาอีกตุลเม้าที่มาเอาวิญญาณนบีเห็นนบีไปยี่มคนไข้นบีเห็นมาลาอีการเนี่ยนั่งอยู่บนศีรษะของคนที่ใกล้จะตายทําไมอลัลลอฮ์ให้นบีเห็นก็กลายให้นบีอธิบายให้พวกเราฟังวันนี้ คำจริงไม่มีใครเห็นมองมันเลยก็เห็นหรอกแต่นบีเห็นอัลลอ์ให้เพื่อเป็นการอธิบายนะครับให้พวกเราฟังให้บรรดาซอฟางฟังนบีบอกว่ามันเลยก็ตุลเมาเถยเวลาจะไปเอาวิญญาณคนดีๆคนมิดคนมุขมินให้เอาวิญญาณออกแบบนิ่มนวล น, <c oughs> นี่ น, น่ากลัวนะ <c oughs> วิญญาณของเราเนี่ยอรรถเป็นเจ้าของแต่ใ น, นเวลาเอาวิญญาณออกเดโมใช่ออกเองนะแต่ในวิญญาณโกลว์ชัว่วกว่าจะออกได้นะมันหลบไปก็หลบมาอยู่ในตัวเรานี่แหละเพรามักลัวเห็นแล้วที่จะออกไปก็ถูกแน่งานะนี่แต่วิญญาณของผู้ศรัทธาต่อด เ, เนี่ยเวลาออกแล้วนะออกง่ายมากมาลัยค้าก็บอกว่าฉันนะไปเอาวิญญาณมาลัยค้า เอาวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนดีเนี่ยเอาออกแบบนิ่มหนวนอัลลอฮฺภาสาทีน่ารักมากครับจะอธิบายต่อไปอีกถ้าอัลลอฮฺสั่งนะถ้าอัลลอฮฺไม่สั่งนะเอาออกจากวิญญาณใครก็ไม่ได้เอาวิญญาณของใครของยุ่งก็องเอาออกไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺไม่สั่งเนี่ยถ้าต้องการที่จะบอกให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺทุกรายการเลยนะอย่าไปคิดเอง อย่าไปคิดอะไรเองนี่จะเป็นความดีแล้วมึงอย่าไปคิดถ้านับีไม่สั่งอัลลอฮ์ไม่สั่งนั่นไม่ใช่ความดีความดีต้องผ่านอัลลอฮ์ผ่านยิบรีลผ่านมลาัลลิกาผ่านนาบีมุฮัมมัดคนเดียวเท่านั้นคือจะเรียกว่ามันจะสกาแล้ ว, วก็มัลลิกาก็บอกว่าฉันไปทุกบ้านนั่นแหละไปเยี่ยมทุกๆเวลาอะไรเวลาหนามา รู้ว่าบ้านนี้มีลูกสาวกีคนท้า น, นี้มีลูกชายกี่คนมีเด็กกี่คนแล้วก็จะตายเมื่อไหร่ฉันก็รอคําสัง่งตลอดอย่างเดียวเพราะว่าอย่างนี้เราต้องมึนกับโบนี่าเลกาเนี่ยมาเยี่ยมเราที่บ้านทัวในวันละห้าครั้งที่ถูกแล้วก็มาเลกาเนี่ยมาเห็นในบ้านเราเนี่ยอา ย, ยามีเสียงเพลงเรียกใชตอนเข้าว ม, มาเลย์การ์คงจะมึกก็ได้เยอะนะ จะของบ้านนี่แย่จริงๆนะเอาเพลงเสียงเพล ง, งเข้าทำไมอย่างว่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็จิตนาเองก็แล้วกันเอาวันนี้นะครับเรามาถึงอายาที่สิบห้าของสุรัสสัจดาเราอ่านสุรั์สัจดาเนี่ยชื่อมันสัจดาแปลว่ากราบอายาที่15หที่อ่านมาแล้วเมื่อตกี้นี่แล้วร็กรานไปแล้วเนี่ยระหว่างรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละนะ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين إذا ذكرو بها الذين إذا ذكرو بها خ ر و ا س ج د ا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. พี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็ต้องสูดยุดด้วยนะแต่พวกเราสูดยุดก็แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะอินมายุมินบิอายาตินาลทีนัอีดะซุกคิรูบิฮะอัลทีนัอีดะซุกคิรูบิฮะขรุชุดจัด และ سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الحمد لله a ك ب ر อันนี้ต้องการจะเตือนนบีนะหลักเตือนคนอ่านคนอ่านด้วยพูดถึงว่ามุมินเนี่ย จะต้องไม่โอหังอ่านี่เตือนนะมุมิมนนี่จะต้องนอบน้อมนิสัยของมุมินต้องนอบน้อถมถ่มตนต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่นิสัยของคนกาเฟตคนมุสลิม ค, คนฟาซิก ค, คนมุตตัดยิวฮูดินอสรอลนี่ผูนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้โอหังโอดีเยอะอีงเราไม่เอาเราไม่ทําตัวแบบนั้น มาดูสับนะครับอันละอินนัลีนอินนมาอินนมานะอินนมาแปลว่าเพียงแต่ยูมินว่าศรัทธาเพียงแต่นะครับบรรดาผู้ศรัทธายูมิโนปิอาาติน ศรัทธาในองค์การหรือในอายะการต่างๆหรือระสัญานต่างๆของเราเพียงแต่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นศรัทธาในองค์การทั้งหลายของเราอิจารุกิรรอัลลัีน่าอิจารุกิรรเมื่อพวกเขาถูกเตือนยุก <ahead> like ิรูแปลว่าถูกเตือน อธิบายยังไงแล้วว่ามีคนมาเตือนมีคนมาบอกมีคนมาให้กำลังใจบอกว่าทำอย่างนี้จะเป็นการขอบคุณอลอเนี่ยบิฮาครูครู้แปลว่าพวกเขามอบอ่ามอบหมายถึงสยบหรือว่าก้มนะครับมอบตัวเองเนี่ยนะต่อใครครับ ต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ว่าอัลลอฮ์จะสั่งอะไรเนี่ย <c oughs> ผ่านยิบลีผ่านนา บ, มมมบีมุ hammad มาบุหมินจะยินคําสั่งต่ออัลลอฮ์เนี่ยน้อมรับเลยและยังไม่พออีกสุดจดาแล้วก็ก้มลงกราบก้มลงกราบเมื่อกี้เนี่ยเรากราบไปแล้วนะกราบครเดียวนะก้มลงกราบพอก้มลงกราบเสร็จแล้วทําอะไรอีกวะซับบฮูจงสะดุกดี สะดวดีสารเสนั่นแหละนะารเสสะดุดียกย่องแปะว่นะะาัพทัศบี้ ย, ยนะีนะคว่าทัศบี้เ น, ะะนีย่ยแปลว่าสารเสื่อยกย่องบิฮัมดีด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิละรอบบิฮิมพระผู้อภิบาลของพวกเขานี่อรอาลาศ น, นะครับสอนอบีเนี่ยเวลาสยบตนต่ออัลลอ สู่ยูต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้สู่ยูดอย่างเดียวให้ทำไรให้สรรเสริญย่ย่อ ง, องแล้วก็กล่าวว่าไงสุบฮานาลอร บ, บิยัลอาลาที่เรากาละไม่ใช่ในนามาทุกทุกทุกทุกครั้งที่เราสู่ยูเนี่ยม่ใช่สู่บบยอย่างเดียวนะสุ่ยูแล้วกล่าวว่าไงสุบฮานรอบบยัลอาลาสุบฮานาลอรบิยัลอาลาุบฮานลอบยัลอาลาแปลว่าอะไรมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ ผู้อาภิบากผงของฌานผู้ทรงสูงส่งอัาลาลอฮว่าสูงสูงนี่คือการสารเสจยงยงอัลล์ุบฮานะหุวาวะฮุมลายสตักบรุนต่พวกเขานันไม่อะไรนะอิสติกบาร์ที่แปลว่าเ ย, ย่อยิ่งหรือว่าจองหองหรืออวดดีาภาษาเราใส่ปะอวดดีเยอ่อยิงจองหองอวดดีคนมุสลิม นะครับเมื่อถูกเตือนให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์เขาก็จะลงกราบนะครับกราบอย่างเดียวไม่พอเขาสารเสริญสะดุดดียกย่องอัลลอโ์ดยกล่าวว่าสุบ h a n a นะครับ s ุบ h a n a ซึ่งเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วทุกวันพอมาอ่านในยานี้ทํานเราสบายใจว่าของที่เราปฏิบัติกันมีหลักฐานมีอัลกรุรอานรองรับ การปฏิบัติของเราอยู่เขาเรียกว่ามันคือสอและเราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้ทำเองเราปฏิบัติตามท่านละบีมฮะหมัดสุลลัลลอฮฺอาเลิวะสัลลัมวฮุมลายสตักบิรุนแต่พวกเขาเนี่ยไม่อะไรนะไม่เย่อยิง่งไม่จองห้องทีนี้คาอธิบายสุยุติลาวะเนี่ยนะมันมีอยู่ทั้งหมดบครั้งหรือสบห้าครั้งมีกี่ครั้งนะอิมรอน สุญูติลาวามีทั้งหมดกี่ขั้นในการอาน14หรือ15 14ครับนถามตกล้มฮาฟิสมีอยู่14ครั้น <c oughs> เดี๋ยวอ่านไปจะเจอนะครับสุญูติลาวานี่ <c oughs> เมื่อเราอ่านไปถึงอายะที่ต้องสุญูติลวาวะเราต้องสุญูทันทีนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทาบกิบลัดด้วยนะ อย่านายไปทางที่อื่นพยายามนะแล้วก็ให้กล่าวว่าง่ายสุบฮานรอรอบิยัลอาลาเนี่ยที่ตหาว่าคนอ่านด้วยต้องต้องอะไรนะต้องต้องสู ด, ดถ้าเราอ่านดังเนี่ยคนได้ยินก็ต้องสูญ ด, ด, ด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสูญกันหมดเลยทางมาสัสยิดแต่นีบางคนมีไม่มีน้ำนำมาสูญด ไ, ด ไ, ได้ั้ยได้ สขไซดีนาหมัดโดนลอห์นวานดูเป็นคาลิฟานี่นะ ไม่สุญูด ต, ต่อ Allah ไปสุญูดกับตักตะเกียไปสุญูดกับสิ่งศักดิ์สิท์นะัทั้งหลายแต่ไม่ห้าเล l l a h ไม่สุญูด ต, ต่อรู้ปะเป็นยังไง Allah จะให้คนเหล่านี้นะ่ะจะอยู่ในนรกแบบไห น, นแบบต่ำต้อยคำว่าต่ำต้อยก็นังถึงนะสิใส่เดือนที่อยู่ในช่วงเนี่ยอุลามากอธิบายไว้เนะีมันจะคิดเองนะผมไม่กล้าคิดเอง เาความจริงปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกอรล่อลงโทษนะเดินตามคำสั่งของนบีมุฮัมมัดปลอดภัยหมดเลยทำเรียนแต่ต้องเรียนไหมต้องเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นอาอยายที่หนึ่งผ่านไปแล้วะับต่อมายอที่สิบสนะครับตตาฟะจูบุมอานิลมาโญย ยَ دعون ربهم ُ خ و ف ً ا و ط َ م ع و َ م ِ م ا رزقناهم ي ن ْ ف, ف ي ُ و ن تتجافى جنوبهم ُ عن المضاجع يدعون ربهم ُ خ و ف ً ا و ط َ م ع ว َمِمَّا ر َ ز َ قناهم َُْْ يوم ف ِ ي ُ و ن َ <ون> الحمد لله ข้อที่16 <c oughs> อข้อนี้ต้องการจะเ <c oughs> ตือนท่านนับีก็เจะเตือตนพวกเราที่อ่านคุณอ่าน <c oughs> ให้ลุกขึ้นนามาดอะไรตะหัจจุดให้ลุกขึ้นนามาตะหัจจุด <c oughs> นี่เตือนนะเตือนนับีนลเบียล์นะรอเตือนนะ เราเตือนพูดศรัทธาทั้งโลกทั้งหมดให้แหละให้รู้ขึ้นนามาตตะหัดหยุดดูชายภาษาดิชย้ยชายภาษาชายภาษาดีมากเลยนะอ่ะดูดูสัพท์ตาจ่าฟาแปลว่าออกห่างออกห่างอ่าหรือว่าอยู่ห่างตาตาจ่าฟะแปลว่าออกห่างหรืออยู่ห่างห่างยูโนบุห ยูโนแปลว่าสีข้างเอาสีข้างของพวกเขานั้นออกห่างใช้ภาษาดีไหมกู mm hmm. าาจะไม่เข้าใจวัมาตัดยุดจะทำยังไงบางคนทําไม่เป็นใช่ไหมจะนมาตัดจุตไดต้องหนึ่งเอาสีข้างของพวกเขาออกห่างจากอะไรครับอนิลมาตอเยะจากที่นอนใช่ไหม เอาลอนเล่าเรือ่องที่นอนของเราด้วยเหนยังครับอา้าวทุกคนมีที่นอนด้วยกันทุกคนใช่ไหยอืมไอ้ที่นอนด้วยไม่ต้องซื้อหนะ่อมีอยู่แห่งเดียวในกะูโบงท่านซื้อหมดฉะนั้นเอาสีโครงไอะนะ้อะไรณะเอาสีโครงของพวกเขาเอาสีข้างของพวกเขาออกจากที่นอนทํางานได้ทำยากนี่เล่าอธิบายละเอียดเลยนะ พออัลลอ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์รู้สันดานมนุษย์เป็นอย่างนี้ขอโทษพูดสันดานแพ็คแรงๆไปหน่อยนิสัยเดิมๆ ม, มนุษย์เป็นอย่างนี้แหละต้องอธิบายละเอียดใครอธิบายแล้วมายังถามจู้ถามจี้ถามจนกระทั่งไม่ให้ถามละตาตาจาฟาจุนูบุฮุมอานิลม่ตอิอะเ uh um ah> ป็นน้องกับช่องจำสับปะรด ตาจ่าฟาท่องเลยต า, าตจา่าฟาตาจ่าฟาแปลว่าออกห้างยุนุจบจัมกุญจัมบ้านีนะครับยุนุบแปลอะไรนะสีข้างแล้วก็อา น, นิลมาบอละนะครับจากที่นอนเอาสีข้างของพวกเขานั้นออกจากที่นอนทําไมต้องพูดสีข้างล่ะเพราะสุนทรนบีเนี่ยให้นอนตะแคงอะไรอนอนตะแคงขวาเห็นไหม สิข้างอ่ะก็ตอนตะแคงขวานะพอนอนตะแคงขวาในไรเลือดมันไหลก็เลยว่าไหลลอดีมากเลยอะขึ้นสมองสมองม อ, งโอโลอเลือดตะแคงขวานี่โอ้โหดีมากเลยพออยายามฝึกตัวเราแหละบางที่เราไม่เคยได้ยินสุนทรนะบีแบบนบีนอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายหรือนอนคว่ำเราไม่เคยเรียนเทอะไรเราถึงเวลานอนนอนเลยพอหัวเห็นหมอนก็เสื่อม ไปเลยไม่ได้นึกถึงโซ น, น่านาบีตรงไหนหรอกท่านคนที่เป็นมุ่งมั่นต้องนึกเยอะโอ้นบีนอนแบบนี้นะท่านนี้นะท่าจะแขนขวาดีที่สุดขอเลือ่อนมันก็โรีว่ลมันไหลขึ้นสมองสมองนี่รักษาโุ น, น่านาบีเอาไว้ทศกัปต า, ขาแข็งแรงไหมแข็งแรงห้องเดินเออทีนี้เอาสีข้างของพวกเขาเนี่ยอยู่ห่างหรือออกห่างจากที่นอนเนี่ย มาจึงลุกขึ้นนมาศแต่ในก่อนจะไปนมาศทางานก็ต้องมีอีกอะต้องเขา่าของน้ําก่อนต้องแปลงฟันใช่ไหมอันนี้มันมันจะมันจเล่าในรายละเอียดก่อนนบีจะอธิบายต่อทีนี้เมื่อเมื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราทำไงครับญาติเรารับบาฮุมด่าญาติเรปว่าวิงวอนวิงวอนขอจากใครไม่ใช่ตัวตะเกียรนะรับบาฮุมพระผู้อภิบาลของพวกเขาเหล่า นี่ยเอาล็อให้เกียรตและสอนด้วยนะเวลาจะวิงวอนจะขอเนี่ยขอจะใครจากพผู้อภิบาลของพวกเขาทำไมาต้องใช้รอบบุญรอบบุญกับผู้อภิอบาลเลี้ยงดูนะแม่ที่เลี้ยงลูกก็เรียกว่ารอบเหมือนกันเจ้าของบ้านก็เรียกว่ารอบบุญว้ต้องดูแลบ้านต้องเช็ดถูบ้านกวาดบ้านเอาล็อกนะใครว่าดูแลหมดเนี่ยเอาล็อกก็ดูแลมนุษย์แบบนี้แหละ พระผู้อาภิบาลของพวกเขานะครับอย่าเดาอรบพระหูวิงวอนขนาดนมาเนี่ยให้วิงวอนให้ใจโยงกับว่าอย่าไปโยมกับซิคอนสแพวรไม่ได้อย่าไปโยงกับตลาดเนี่ยอะไรยกยุเจริญเนี่ไม่เอาให้โยมกับใครโยงกับอัลลอ์ตรงต มีคุ อ, อานอธิบายชัดนะไอ้ห okay ัวใจโยงกับใครโยงกับอัลลอฮฺสุบฮานะอูวาดะอย่าโยงกับมรคลูกที่อัลลอฮฺสร้างมาให้โยมกับใครขอเล็กผู้สร้างย่าเอาน่อบร้พบุรุให้วิ่งวนให้ขอจะเอางงการขอถึงมาตลอดเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างนะอันนี้พูดเตือนกันกนะกำลังใจกันนะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้า สามขออย่างหนึ่งอลลรอให้อีกอย่างหนึ่งขอที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บัละไม่มีดีหรือไม่ดีตีสิเช่นขอทุกอาอยากจะได้รถสักคันขอมาห้าปีแล้วอล๋อไม่ให้พอปีที่หกได้มาจะด้วยวิธีไหนไปเรื่องนึ่งนะพอได้ามาแล้วเนี่ยขับไปได้หกจาเดือนไปชนรถพังขาหัก เห็น ไ, ไหมขับรถไม่เก่งอ่ะเนาะปรากฏว่าคนจะขับรถจะขอทูอารถมันต้องเก่งด้วยเห็นไ้มล่ะถ้าขับไม่เก่งอ่ะอย่าไปอย่าไปขอนะขับแล้วไปชนกันเป็นไงขาหักนี่งที่ขอมาหปีตอนห้าปีนะไม่ให้นะบาลามีไหมไม่มีแผลก็ได้มามีบัลาตามาเต็มเลยอรอถ้าความสามารถไปถึงอย่ไปเอา เหมือนการว่าเอาไปอธิบายส่วนอื่นก็ได้มีนั่นขออยากได้นั่นอยากได้นั่นอยากได้นั่นต้องนึกที่ถ้าได้มาแล้วดูบริหารได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะไปขอโหนี่เรื่องใหญ่นะอยากได้ตึกอพาร์ตเมนต์ดูแลเป็นหรือเปล่าอ๋อต้องนึกจะขออะไรต้องนึกอ่าหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้า สามขออย่างหนึ่งเอาล็อให้อีกอย่างหนึ่งสี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วบนนุ ญ, ญาไม่ได้ได้หลังตายโลกอาคือล็อกโอพี่น้องข้อที่ห้าในยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ขอขอให้ได้วันอาคือล็อกดีกว่ามีคนกาแเสือยู่คนหนึ่งอยากบอธิบายอย่างคนนี้ทําทําทํา ทำความดีเช่นดูแลพ่อแม่แล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องเลี้ยงอาหารคนอะไรคนมีคนถามท่านนาบีว่าคนเนี้ถึงคนการเป็นทำความดีนะครับจะได้เข้าสวรรค์หรืนะครั บ, บ เ, เพราะว่าในชีวิตของเขาไม่เคยขอรัวไม่เคยขอพรจอลอ้อขอไงรู้ไหมโอ้ลอล้อ อย่าลงโทษฉันในโลกอาคริลเพราะคนกาฟเฟ่คนนี้ไม่เชื่อว่าโลกอาคิริลมีเพราะไม่เชื่อโลกอาคิเริลว่ามีอาคิริลอัลลอฮฺจะให้ทุกคนฟืน้นฉันไม่เชื่อนะี่ยเพราะไม่เชื่อก็ขอบ่าวก็ไม่ขอฉะนั้นเราต้องขอดูาอาดูอัลลอฮฺจะให้ฉันมีชีวิตที่ดีในโลกอาคริลด้วยอย่าถูกลงโทษนะอาดาบในกุโบด้วยเราต้องขอเพราะเราเชื่อว่าตาแล้วถูกทรมานถูกลงโทษในกุโบจริง เรากต้องขอเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไวอ้เผื่อไว้แบบนี้เป็นต้นนะครับตแตาจาฟาจุนบุมมนิลมาจ่างียะดอุนอาบบะฮฺมวิงวอนขอต่อประพู้อภิบาลของพวกเขานั้นมีสิทธิ์ฝันะนะขณะที่ขอต้องมีสองอย่างนะเข้าฝันเข้าฝันแปลว่ากลัว ตอนขอตอนนมาศเนี่ยเป็น้องใจต้องกลัวด้วยนะอัลลอฮ์เนี่ยกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับอ่ากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนมาศต้องไม่กลัวอย่างนี้ด้วยอย่างเดือนระมาฎอนที่ผ่านมาใช่ไหมพอเรือละมาฎอนจบไปแล้วเนี่ยบรรดาชาวซาลักหรือชาวชาว บ, บ้านอับดะเขาทําตัวยังไงหลังจากระมาฎอนผ่านไปเนี่ยมีทั้งหมดแปดข้อด้วยกัน แต่พูดสองข้อหนึ่งเขาเสียใจข้อที่สองเขากลัวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับความดีที่ทําในเดือนรอมฎอนเรียว่าวาจีลนะเนี่ยเขาฟันเขามีความกลัวๆวว่าอาลัลลอฮฺจะไม่รับนมาตอเราวีอลัลลอฮฺรับหรือเปล่ากลัวอลัลลอฮฺจะรับด้วยนะจ่ายโซดดะกจ่าริยาในเดือนอุรฎอนบริจาคเยอะอลัลลอฮฺจะรับด้วย บุกกลูกให้ฐานอาหาสโหดเหนือยได้ไหมเนื่อยครับมีรางวาัลไหมมีรางวัลอร่โอยจะรับรางวาัลตอบแทนของศานตรงนี้ด้วยจ่ายสกาศฟิตเรี่ใช่ไหมมันก็มีเยอะเท่าไรรอกจ่ายในบ้านทุกคนมันก็เยอะบางคนมีลูกสิห้าคนนะ่ะอ้าวเท่าไหร่ก็ทำใจยเยอะอร่อยจะรับด้วยความดีที่เราทําลูกขึ้นน้ำมาตาฮัจุลเป็นไงกันนะแต่จะน้ำมาหน้ามาติดติดนิสยัย ปุกปุกมานามาตลอดไม่เคยขอสักครับอลัลลอจะรับนามาตดตหฮัดยุลของฉันด้วยนะต้องขอนี่เขาฟันด้วยไรนะด้วยลักษณะที่กลัวอลัลลอ์ข้อที่สองว่าอมาอันต่อมาแปลว่าไรละโมล อ, อยาอยากได้ันะ้นอยากได้รางวัลตอบแทนจากอาลัลลอ์ในโลกอา อัลลอฮอัลลอธิบายกครับทนรอานชัดไปเนองสบายมากเลยเนี่ยอ่านให้เข้าใจเข้าใจสับไปนะเขาฟันเปนว่ากลัวก็มาอันเปลว่าล้วโมหหรือหวังหรืออยากโอ้โหนะัมัุดูเรื่อนี่แสดงว่าลักษณะของคนที่ลุกขึ้นนมาตรฐาจุดนะครับตาาจายุนบุมอันิลมาจัด เอาสีข้างอยู่ห่างจากที่นอนอร่อยผู้ใจง่ายจริงๆห่อมอยู่เลยเลยทีนี้ตอนเอาสีข้างออกจากที่นอนนะ่ะเวลานอนนะ่ะนอนทว่าตะแคงขวาเวลาลุกขึ้นก็เหมือนกันอย่าลุกขึ้นแบบแบบคิดเองนะนอนตะแคงขวาก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นแก่อายุเจ็ดสิเนี่ยอย่าไปขึ้นรวดพร้าดนะค่อยๆขึ้นเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยลูกหน้าเพราะนบิชาโดดนอนอย่างนี้ อย่าลืมวมาขอที่น บ, บีทำเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดเลยอะแล้วคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพราะเอาสุนนะน บ, บีไปพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปเจออัลล์นี่เป็นอะไรกันน้าแล้วก็ให้กล่าวว่าไงาอัลฮามดุลิลลาฮีาอาฮยานาบาดา ม, มาอามะตนาไวลัยอินูชุอัลลอฮ์นี่นบีสอนละเอียดที่สุดล้วทำไปลุกขึ้นมาต่อายุทธ มีสบิกิ a t สฟัตสองสิฟัตสิฟสัตอะไรรับข้ฟันวะตอมันกลัวด้วยกลัวว่าอัลลจะไม่รับความดีสองตอมะหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุดานูตอครับทีนีในตัีอธิบายบอกว่าผู้อ่านจากหลายในภาษาอุดดุอ่านภาษาอาหรั บ, บรรอ่านสังเกตด้วยอ่าน ลุกขึ้นนามาตัดยุดตอนกลางคืนนี่นะก่อนจะก่อนจะก่อนจะนามานีนะ่ให้ว่าอย่างนี้อัลลอฮฺอักบริบครับอัลฮัมดุลิลลาฮิซิบครับสุบฮานัลลอฮฺะบิฮัมดิฮิิบครับสุบฮานัลมัลิคีลุคุดูิบครับ ลาอิลาอัสตะฟิรุลลอฮ์ซครั้ลาอิลหาห์อินนัลลอฮ10ครั้รข้างสุดท้ายั้งที่เจ็เนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอัลยูบิกามินดีกิลดุญยาวาดิริยามิลกิยามแปลว่าโอ้อัลลอ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้ฉันไม่ค่เป็นคนที่คับแคบบนโลกดุญยาและก็คับแคบในโลกอาถรร์ ที่ใครสอนได้ว่าเอาคำว่าคับแค่เนี่ยมันมองมีความหมายกว้างเราเนิร์เองกำลังจนเราจะอยากให้จนจนบนดุจยาอยากให้จนเราไม่มองหน้าในอาติรอจาอาลอชาต้องนึกไปขอตัวอาติรอจเยาต้องทำดุจยาจดลงว่าต้องสุพรรณสาธเสเรารอดเลยนะกล่าวว่างไงนะอัลลอฮฺอัลกุบะดีอัลฮัมดุลิลลา subhanal l i k i l kudus a h u m d u l i l l a h i l adzim w a b i h a ส d h i h i astaghfirullah la ilaha i l l a h allahu ma inni a'udu a m d i al dunya w i q i y a h kiamat ทีนีอีกอีกีรายงานหึงอว่าอย่างนี้จากจากจกตัีของอุลามาซาอุดีนะบกให้อ่านให้ตาว ให้อิสติฟาร์ให้ทัศบีให้ตาฮมีดให้อิลฮาอิามให้อ่อนอลลอฮ์ด้วยตอนลุกขึ้นละมาหัดยุนให้ทัรให้อ้อนออดหน่อยอย่างลูกๆออนพ่ออย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงที่ออนสามีเนี่ยนึกเองออดทำไงบางคนเก่งผมไม่เก่งออนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะเห็นภาพบล่าอัลลอฮ์ี่เป็นมุสมิมอออัลลอฮ์เก่งจริงๆเห็นอัลลอฮ์จะ อัลลอ์จี่ภาษาผมนะสัญญากัว่าอัลล์อย่างเดียวอัลล์รบุอาลมีตพัส้นอัลลอฮ์นี่พี่ต้องทำเป็กับเรากันนะแล้วก็ร้องไห้โอ้ร้องไห้เพราะสว่านะบีนะปฏิบัติตามนบีนบีทำงี้นมาไอตบ้าตัวก่อนแล้วอิสิฟฟาตอัลล์แล้วก็ยืนนมาดแล้วก็อ่านอัลกุรอานแล้วก็ร้อง อย่าร e> ้องเยอะร้องเล็กๆน้อยๆพี่น้องแล้วเนี้ยไอ้ร้องง่ายก็เรียกว่าอ่อนอ่อนละอ่าหัมวันีเลยพี่น้องอะาก็ด้วยความเมตตาของข้อร้อนะครับพี่น้องนมาตหยุดกี่รอกอัดดีที่สุดแต่หลกอัดวิเต็อีกสาม่ไหมพรยท่านิงไอชารายงานบอกว่าท่านนบีไม่เคยนมาตกลางคืนกตยามุลเลนเนี่ยเกิน11รอ็กอัไม่เกินเอ็ดกอัด ไม่ว่าจะเป็นเดือนระมาดอหรือนอกเดือนระมาดอแปดวิตเต็สามแตที่บางคนมันตื่นไม่ทันน่ะตะฮัดยุทธสองวิเต็สาบางคนมีความสามารถเอาทำสี่วิเต็สามบางคนทำหกวิเตสามทำแปดวิเต็ดสามแตเมื่อคืนผมตื่นไม่ทันน่ะได้วิเต็อย่างเดียวสมหมดเวลาพอดีอดาจาร ถ้าได้การลุกขึ้นน้มาตะฮัดยศเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยถามตัวเองในตัสิทธอธิบายว่านอนก็อร่อยลุกขึ้นน้ำมาต ก, ก็อร่อยแต่อะไรอร่อยกว่าลุกขึ้นน้ำมาตอร่อยกว่าตัางเยอ ะ, อะทาไมพูดอย่างนี้ล่ะเพราะมีรางวัลตอบแทนจากอร่อยไอ้นอนเนี่ยรางวัลไม่มี แต่ถ้าลูขึ้นน้มาตอนดึกๆเนี่ยรางวัลมีไหมอัลลอฮฺรางวัลอัลล อ, ลอลให้เยอะเลยกับคนที่ลูขึ้นนมาตา่ฮายุทธเรียกว่าตต า, าฟาญูบฮุมอานิมมาอกอัลฮมดุลิลลยาดอนรับบะฮุมฟอุบะกามเป็นต้องท่องอัียาี่ให้จาเลยนะทองให้จเอาต่อมาครับข้าฟันเป็นอะไรนะ กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่ทำต้องมาอ้างหมายถึงอยากได้ได้รับรางวัลนะครับที่ดีที่ได้ทำนะอัลฮัมดุลิลลอฮ์มาช s อลัลล a h ในทัศน์ที่อธิบายอย่างนี้ในวันกิยมามะเนี่ยอัลลอฮ์เรียกคนตั้งแต่ยุคแรกนบีอาดัมยุคสุดท้ายนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันที่ทุกมาิกละคนเท่าไหร่ แล้วเอาล่อให้มารายการยืนประกาศนีนายตับซีติบุกซีติอธิบายไวนะ้น่ะยืนประกาศบอกว่าใครที่ลูกขึ้นนำมาทหารยุทยืนขึ้นให้หมดใครที่ลูกขึ้นนำมาทหารยุทธก่อตายลูกขึ้นยืนให้หมดมีคนยืนเหมือนกันแต่กอลี่ลุนจํานวนน้อยอ๋อ แสดงมันก็งว่านอนอร่อยกว่าไหมีคนลุกขึ้นไหลุกขึ้นแต่ไม่เยอะเอาล็อประกาศบอกว่าปราเอาคนเหล่านี้ที่ยืนเนี่ยเข้าสวรรค์หรืมไม่ต้องสอบไปเลยเอลัลลอฮฺปรากฏเห็นอย่างครับนี่รางวัลที่เราจัดให้อะ่ะลุกขึ้นมาแต่ยุดสม่ําเสมอนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสามครั้งบางคนทุกคืนเลยเอาเอาไป เานี่จะกินญิงอัชลรายงานพราะเพราะอ่านแล้วสบายใจไหมอั Allah, ลลฮ์ูกขึ้นนมาตาหญยุธตอนกลคือจะถูกเรียกที่ทุกมาชัใครที่ลุกขึ้นนมาตาหญยุธยืนให้หมดเราบอกอ้าเชิญคนียืนเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลาา์ซุบฮานะวะตาลาดีเลยไม่ดีพี่นาอัลฮามดุลิลเลาห์ไม่ต้องมาผ่านอะไรเยอะพี่นอะ อา้าต่อมาครับพี่น้องอ้ยวัชุทายว่ามิมมารซกคนาหุมยุมฟิกุนว่ามิมมามิมมาแปล ว, ว่าจากสิ่งโรซกคนาหุมเราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพอัลลอฮ์พี่น้องริสกีนะ่ะนะแปลว่าเครื่องยังชีพเครื่องยังชีพเนี่ยใครให้อะัลอลอฮ์เนี่ยโรซกคนาหุ่ม เราให้กับพวกเขาเหล่านั้นมาจากเลาทั้งหมดออ่านกุรอ่านในตอนเราเองนะว่ามิมารอจากนาฮุมและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพกับพวกเขาทำไงครับยุมฟิกุนบริจาคโอ้เนี่ยคท่านไม่อ่านกุรอ่านในฟังสุนหขนบีนีนนะ่บริจาคไหวไหมไม่ไววค่ะ ก็หามาด้วยแรงของเราแล้วไปให้มันทำไมยิ่งคนที่เราจะให้เป็นคนที่เราไม่พอใจด้วยเพราะอย่าหวังเลยจะได้แต่กูนาบาดพูอไม่ให้แต่เพราะอ่นานกูร่าไม่ใช่เหรอใช่ไหมพี่น้องทีนี้คําว่านาฟากอเนี่ยยุมฟิกูเนี่ยนาฟากอเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายนั้นหนึ่งสากาัด ว่าจิบเลยไปนอ้องใครที่ไม่จ่ายส ก, กาศลองดูจะตายถูกแน่ถูกงูมาฟัดคุณแน่ น, ะนากูโบัวแล้วจะหนีไปไหนรอดฉะนั้นต้องจ่ายส ก, กัดสองจ่ายสตรอกกสามต้องจ่ายฮาดี้ของขวัญซื้อให้กันไปนอ้องซื้อใหอ้มามได้ไหมได้ซื้อให้ครูได้ไหมซื้อให้พ่อแม่ได้ไหมให้ของขวัญหอซื่อๆให้ไปนอ้องอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮฺ ไอ้คนรับชั่นเนี่ยมันต้องไม่ให้มันแต่ว่าดูแลคนนี่เป่นอ้องบางคนมีเงินดูแลอาคารยธาสียธาสีคนจะตายอยู่แล้วไม่รู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอิมฟ้าก็ชายจ่ายแล้ว็รามาต้องรับผิดชอบดูแลภรรยานี่เป็นหน้าที่ของสามีพูดถึงสามีนิดหนึ่งนะสามีรับผิดชอบภรรยาเจ็เรื่องผู้หญิงนั่งยิ้มหลังงานเนี่ยนรับผิดชอบอะไรอาหาร สเสือ้อผ้าสมที่อยู่อาศัยสข้ค่าใช้จ่ายประจำวันห้าอย่าตกหน้าภรรยาอ๋องดีได้ไหมดีนี่ใครสัง่งอ่ะชักบุญสั่งนบีนบีไปบอกกับสวาวบา้าไปบอกกับประชาชนนะอย่าตกหน้าภรรยาไม่ได้นะแล้วก็ข้อที่หกอย่าด่าภรรยาข้อที่เจอย่าหนีมีปัญหาห น, นี้ละ ผมจะเอาเรื่องนี่ยอ่านคุณติปานิกาทุกครั้งนะพูดเงเจ็ข้อเจ็ข้อเจ็ข้อเตืิตัวเราเองเพราะนั้นเรามีไม่มีหน้าที่ด่าภรรยาไม่มีเลยครับแล้นี้อัลลอสอนนะให้ผู้ชายให้เกียิภรรยาให้เกียิผู้หญิงครับโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดหครับไดลี่คืออิสลามนะเป็นอแล้วก็รางวัลมีไหมอัลลอฮอับัดมีมากเป็นงัเวลาให้ต้องนึกนะอัลลอจะจะให้ที่อัลลอสังแล้วนะ ทำที่นบีเตือนท่านทำหมดแล้วว่ามิ ม, มารอซาคนาฮุมยุมฟิคูและจากสิ่งที่เราได้ประทานกินเรื่องยังชีพแก่พวกเขาให้จำได้ให้บริจาคอัลลอฮฺองค์บัลลาฮตอนบริจาคพรมันรต้องนึกสดายมาโอ้สดายขอให้าอย่างนี้อัลลอฮฺ Allahu ma dini, afda l e m a tu, t i n ibadah kasho. m i l u ahan abdul, o n k a u masjid. Kalau k t e r j a l a kalau t a n kita n kita b a l a n k t a b e a l k i b e r n k i a n i a b r i t e r a l i t a b l a n kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, e n k a b e r i r a l a n k e n k a n i n a b i t a b a b a n n a b i r a l a a a n k i a b e n n i a l l a n a l l a n Allahu um ma'tini ma ma a f ja d so a l a ma tu'ti i b a d a k a s f a l h ai, l e, e. i มาแปลว่าอะไรอัลลอฮ์จะโปรดประทานให้แกฉันดีกว่าที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดาคนซนแล้งทั้งหลายทั่วโลกพอดีไม่ดีพ่อมาลพระจังเดนข้ามมัสยิดในตอนอัลลอฮุมะตินีอัฟดัละมาตุตีริบะดาคัฟอลิไมาน้าอบุลฮะสซันอาจารย์ผม เขาเล่าบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยตอนตอนไหนก็ตามที่ลูกนั่งอ่านอ่านอ่านกูอ่านแม่จะมาที่หูบอกลูกขอดตัาบทนี้อัลลอฮุมะตีนีอัฟตอลละมาจุตีอิบะดะกะซอลเลาโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความดีให้แกฉันความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับคนซอลแล้ทั้งหลานนั้นให้ฉันมากกว่าพวกข้าวมนั้นดีแน่เดย เมื่อเราต้องการรางวัลของเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองอย่าเป็นคนด่าคนทะเลาะกับคนดินทาคนอย่าถูกนินทาไม่มีปัญหาถูกดา่าด่าไปเถอะใช่ไหมแต่เราจะไม่ด่าคนไม่ว่าคนจะไม่ตำหนิคนห้ามดูเรียนทำได้ไหมอัชลอฮฺเราทำได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจะได้คำอธิบายต่อไปอีกนะครับตัฟซีนอธิบายอิบนกตซีอธิบา ย, บา ย, บายว่า ตัตาฟาโนูบุฮุมานิลมาโยสีข้ามของพวกเขาอยู่ห่างจากที่นอนเนี่ยยามค่ำคืนอธิบายยังไงเวลานามาติชาเนี่ยย่านอนก่อนนามาติชานะส่วนใหญ่คนที่นอนก่อนนามาอิชาเนี่ยส่วนใหญ่หลับตื่นนู่นเลยสุโบดูแลนะขาดไหมขาดฉะนั้นนะอย่านอน อย่านอนครับอย่านอนก่อนนามาอิชาอัลลอุบดล้วก็พยายามมาหนามาดอิชากับจะมาที่มัสยิดน้นมามัเริบก็อย่าขาดพยายามมามัสยิดนอกจากป่วยนอกจากกลัวนอกจากฝนตกยกเว้นอุยรถใครยังไพยายามรักษาจะมาเพราะอัลลสั่งถนะ้าปยูโนบเนี่ยุลมะมาอธิบายนะเอาสีข้างออกอย่านอนเยอะคุณง่ายๆกันนะ เวลามารีบพอแก้บนแล้วนอนเลยฮัลโหลถ้าไม่สบายนะได้อย่านอนอย่านอนก่อนธรรมดิชาสุบโบรนี่แน่นอนที่สุดหนักที่สุดแต่มีรางวาัลตอบแทนจะรอเยอะไหมเยอะมากกับลยห้ามจะจ ก, กิลเลยแต่การพูดเรื่องนักฟ ก, กนหนึ่งสามีต้องรับผิดชอบภรรยานะถ้าพ่อตายพี่ชายคนโตต้องรับผิดชอบดูแลน้องๆ้องที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดให้ช่ังครับ หน่งใจะกาสองะไรนะสกอมส่วักัฟ่ปสามีรับผิดชอบภรยาโอ้โหอย่างนี้มีต้นรถตามมาหมดเลยเป็นหน้าที่นะแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากรถชัว์แล้วต่อมาก็ยัติสิบฟลายะลมนซุมมาอคฟิลุมมินบุรรติอยน جزاء بما كانوا يعملون فلا يعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الحمد لله ลุกขึ้นนำมาตะหัดยุตตอนกลางคืนน่ะอร่อยนะเีนี้มาดูรางวัลอ่านี่คือรางวัลแล้วนะรางวัลมาคนทำความดีทั้งหมดเนี่ยรางวัลเป็นยังไงฝายาลำรางวัลนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอให้น่ะยาลำแปลว่ารู้ลายาลำ AH ไม่มีใครรู้อ่าไม่รู้อ่าตัวตงนะตัวตาเลยฝาตาล ดังนั้นไม่มีนับซูนแปลว่าชีวิตไม่มีชีวิตใดรู้ไม่มีชีวิตใดรู้ตกลงว่ารางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สําหรับคนที่ทําความดีทั้งหลายหรือคนที่ลูกขึ้นนมา ต, ตัดยุดหรือนมาตอิชาหรือนมาตอะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ผ่านสั่งผ่านนาบีนี่นะ รางวัลก็คือไม่มีชีวิตได้รู้มาอุคฟียลาฮุมอุคฟียแปลว่าถูกซ่อนเอาไว้ถูกถูกซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้ไม่ให้รู้ซ่อนเอาไว้ไม่เผยให้รู้ลาฮุมแกะพวกเขารางวัลที่เอาลอตเตรียมาไว้นะครับที่จะมอบให้นะไม่ได้บอกให้รู้ซ่อนเก็บเอาไว้โอโหบัน นี่ทารู้หมดนะบ้าอัลอลอฮฺอัลลอฮเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลในสวรรค์นี่อัลอลอฮจัดให้อัลลอร้เป็รองเลยยังไม่ อ, ลอลัลลอฮเล่าฮะผ่านนบีเล็กเล็กน้อยน้อยอ้าวเล่าอะไรบ้างสวรรค์นีร้อยชั้น <c oughs> เรานับไหวร้อยชั้นแต่ละชั้นเนี่ยสูงเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินโอ้โหจิตนาวัยมาก แล้วก็อายุเท่าไรอัคุณในสวรรค์นะสิทธิ์ของนบีหกคนเนี่ยอัมบเชยชาวสวรรค์หมลเลยหนึ่งความสูงแบบนบีอะไรนบีอาดัมความรอแบบนบียูซุฟมาลายิสามหัวใจที่อะไรนะลำลึกถึงอัลลอฮ์แบบนบียูนุสอะลายิสลามพูดภาษาที่คไว้นะพูดภาษาไพเราะมากะสวิตทั้งนะ ใครรอำมากแบบนบีอะไรนบีดาวูดอลัยฮิสลามแล้วก็อายุเท่ากับนบีอิสาอายุ33มสากำลังนุ่มเลยนะแล้วก็อัคลากแบบนบี ม, ามาัมมี่เล่าให้ฟัง 5-6 เรื่องนี่โอ้โหคนตาตื่นกันหมดเลย แล้วก็อายุของเราเดสมสามสามุดซแล้วก็เรื่องความแข็งแรงเท่ากับผู้ชายหนึ่งร้อยคนนี่เล่าแค่นี้ใใจยังโอ้อยาอื่นดี่ละมันจะเล่าให้รู้น่อยเยอะๆไปหมดอ่ะนี่เล่าเฉพาะเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆนะจะนั้นของที่สำคัญสคัญที่ดีกว่านี้อีกเยอะนี่อุฟียาลหฮมถูกซ่อนเอาไว้ไม่ให้รู้ยังไม่เผยให้รู้อัลลอหอัก ถ้ารู้จกากการนั้นเนี่ยอัลออาคุปักอย่างนี้ไปต้นต้ลงว่ารางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับคนที่เป็นมุมเณรผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะลาตาละมุนัฟซุมมาอุฟิอาลาฮุมไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่อัลลอฮ์ถูกซ่อนเอาไว้สำหรับพวกเขาเหล่านั้นมิงกุรลอเดียยุนกุรรอแปลว่า สดชื่นหรือว่าเย็นสบาย <c oughs> มองแล้วเห็นแล้วนี่นะสดชื่นที่ไหนกับอายุนภาวตาพอมองแล้วสายตาสบายเลยเย็นหูเย็นตาสบายจริงๆนี่อัลลอฮฺปิดเอาไว้ตอนนี้ไม่ให้เห็นเห็นไหมถ้าท่านลุกขึ้นแมาแตะหัดยุนเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้ด้วย เองก็ทำแบบลับๆใช่ไหมไม่มีใครรู้เอเรารูบองเดียวจะนั้นรางวัลของเองก็ฉันก็ปิดเอาไว้มันกันตคนต่างปิดคุณทําความดีคุณก็ปิดแต่บางคนก็ชอบเผยนะยวันนี้แย่เมื่อคืนนี่พุทธายุดอ่ะเผยทําไมวันนี้ปิดปิดเอาไว้ความลับอ่าเช่นนา้นมามันน้ำมันรีบอย่างเงี้ยสุนหยเน่ยสุนัขเนี่ยน้ำมันสุ น, นัขเนี่ย น, น, น, น, ยนบิจตันนมานที่ไหน ที่บ้านพอนมาจบแล้วพี่ก็รี บ, ขบ เ, เข้าบ้านเลยพราะน้มาสองรอบทำไมอ่ะคือไม่ให้เข้าบ้านเพรรู้เยอะว่าเราเนเี่น้มาสนัดเจ่งนะขับมาในบ้านนี่เด้วนั้นรางวันก็เหมือนกันอัลลอฮ์ปิดรางวัลไม่ให้เห็นโอ้ทายเห็นหมดเลยนะเราก็บ้าก่อน โอ้พียาละหุมพลอซ่อนเอาไว้ซ่อนเล่นเอาไว้ยังไม่เผยให้เรารู้ว่ามีรางวัลอะไรบ้างแต่เขาจะมอบให้ในสวนสวรรค์ของพาะสุภาราหูตาละเรื่องความรอี่นองแบบมียูซุขใชจินตนาการเนาะนะรอขนาดไหนไปนอต่อมาครับยะจาอัมบิมาการุยามารนยะจาแปลว่าเป็นการตอบแทนยะจาแปลว่ารางวัล เป็นรางวัลบ mm ิมาการูยามาดูนที bar, ่พวกเขาได้ยามันปฏิบัติปฏิบัติตามสุนนะนบีทุที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาฮ์แคปิโนทุลัยอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร์ินอคนที่ลุกขึ้นมาตะหจุดประจำเนะสังเกตนะอัลลอ์จะให้ดีอย่างก็ดาววลาเนี่ย จะตื่นเลยจะตื่นเตื่นเองขอดุอายก่อนเราจะอาจฉันไจะตื่นลุกขึ้นนมานท่านยุด้วยปิยมุลเลนพอตอนตีสีต <alon> ื่นละทีสามสี่สิบห้าเาตื่นละบางคนว่าขอนอนต่อไอ้นอนต่อนี่แหละสุโบเลยอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละพีน้อง อวัยยสุดท้ายนะครับพี่น้องทีนี้มีท่านที่อธิบายอย่างนี้นะครับรางวัลที่อรรรจะมอบให้นส่วนใหญ่จะให้หลังตายแต่มีคนอยู่สามกลุ่มที่อลรรจมลงโทษก่อนตายอยางรู้ไหมมีอยู่สามกลุ่มที่อลรรจมลงโทษในวันเกียรติด้วยแล้วก็ก่อนตายลงโทษ ด, ด้วยข้อที่หนึ่งคนที่ขวางภาษาอุน ด, ดูว่ากี บาจรอองคือสัจจอาคีรอดเซเปลยดุนยาแมบีมิลตีแหการลงโทษเนี่ยคับธรรมดาเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้หลังตายหมดเลยในอาคีรอดนนนแต่คนอีกสามกลุ่มเนี่ยถูกลงโทษบนดุนยาด้วยและหลังตายด้วยหนึ่งคนที่ขวางขัดขวางตั้งตัวขัดขวางคําสั่งของอลัลลอฮ์ทุกอย่างอาลัลลอฮ์สั่งอะไรมา ขวางขวางขวางขานขานขานขานสุน้านาบีด้วยนะนบีสัง่งท่านไม่แบบว่าขวางขวางจะไม่ทําไม่ทําไม่ทําไม่ทํานคนคนที่หนึ่งคนที่สองลูกที่ไม่เอาใจใส่พ่อแม่คือทรยศต่อพ่อแม่อารดลงโทษบนโลกวิญญาณไปเลยท่านผู้เธอต้องระวังให้ดีนะอย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองอย่าพูดคําว่าระพุ่ ตวาดไปไปไ ป, ไปมะอย่าพูดมากฉันได้จบปญยาพยาธีนะมาแค่ป .6 เองโอ้ยหยาบคายนี่อย่าพูดนาะอย่างนี้เปต้ น, น, นตคนที่สามนะครับก็คือคนที่ไปช่วยเหลือคนซ้อเหล่มคนอาธรรมสนับสนุนคนคนอาธรรมต้องนึกเยอะนะต้องนึกเยอะครับอธิบายไม่ได้เด็กกระทบคนอนื่นมึกเองคนซอเหล่มคน ไปสนับสนุนมันไปเลือกมันทําไมนะคนผา้เข้าการเมืองมาอีกว่าทำไมทำไม่แต่ทำไมแ ต, มแต่ฉะนั้นสากลุ่มนะหนึ่งคนที่ขวางอิสลามขวางอัลลอฮ์ขวางนาบีคนที่สองคนที่ลูกที่ทารยศต่อพ่อแม่ตัวเองคนที่สาคนที่ไปช่วยเหลือคนอาธรรมเนี่ยปกครองประเทศเนี่ยต้องดูแลคนทั้งประเทศแต่ตอนดูแลเขาเนี่ยไปสนับสนุนคนชั่วให้มาเป็นผู้นําีกตัวคิดเอาเอง โอ้โฮามดุลิลลาฮฺอายะซุ่ท้ายนะครับพี่น้องอาฟะมันกานาโมมิ낭กามังกานาฟาซิคอลายาสตาวุณอาฟะมันกานาโมมิกมักนฟาซิคอลายสตาวุฮมดุลิลลา ย่าที่สิบแสุดท้ายจบแล้วครับมุมินอ้ า, อาฟามันอาแปลว่าหรือมันกานะมุมินั้นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยจะเป็นเช่นกามังกานะฟาเิคอจะเป็นเช่นผู้ฝ่าฝืนการ น, นั่งเรืออธิบายยังไง คนกาเฟตคนคนฟาซิกคนกาเฟตคนมุชลิคนไม่เอาศาสนาไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยกับคนมุเมินเนี่ยเหมือนกันเหรออัลลอฮ์ถามเหมือนได้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันคนกาเฟตกับคนมุเมนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันลายสตาวูไม่เท่ากันไม่เท่ากันอัลลอฮ์ให้ตอบแทนไม่เท่ากันมันเอาว่า บ้านปลายของคนฟาซิกอยู่ที่ไหนนรกปุตเต็มป่าเลยนรกบ้านปลายของผู้ศรัท ธ, ธาตอลอดอยู่ที่ไหนส่วนสวรค์ของอลัลลอฮฺสาาุฮาบุตอลัลาอัลลอฮฺพี่น้องแค่นอนอยู่ในกูโบนี่อลัลลอฮ์กับเทกแคร์ไม่เหมือนกันแล้วอ้าวคนที่ติดนมาเป็นมุสลิมแล้วนอนอยู่ในกูโบน์มลาลกยต อ, ตอนมาลายกามามาจับให้นั่ง คนมุมมินบอกไงมาเลกาอย่าเพิ่มถามฉันฉันข อ, อนามาก่อน ท, ท, ทั้งๆที่นายกูโบต้องนามาได้ไหมไม่มีนามาแล้วแต่น่อจะติดนามาจากดุมยาไปคุยถึงมาเลกาได้อะมาเลกาอย่าเพิ่มถามฉันนะฉันข อ, อนามาก่อนมาเลกาว่าตอบปัญหาฉันก่อนแล้วก็ น, นามาที่แล้วก็เทียงกับมาเลกาในกูโบแห่งยังแล้วคนกาเฟจะมีสิทธิ์อ่ะมีสิทธิ์ไหม คนคาเฟ่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยอธิบายได้สบายเลยพี่น้องครับข้อข้อที่สองอเรื่องมันเยอะเลพี่น้องคนคนคาเฟ่เป็นยังไงครับเ น, นี่ยผมไปยื้อยวนเมื่อาอาทิตย์ที่แล้วนี้ว่าอะไรนะท้าหากตบีอมัดสามารถเห็นได้คนมุสริมบางคนมีความผิดแต่ยืนค้อได้ขอ้อโต๊ นากีซูรูอูซูรูอูซหินยืนขอตกกันหมดเลยทั้งคนกาเฟ่คนบูชยดีมคนคนผิดและมุมเมละยิ้มแฉ่งในกูโบเนี่ยตั้งแต่ในทุกมาชาร์และหวเราะยิ้จาหน้าตาเบิกบานไม่มีหมุนหมองอะไรเลยต่างันไหมต่างกับเอ้าถใครต้องการจะยืนหัวตกคอตกเชิญปฏิบัติตามอารมณ์นี้แหละอารมณ์อารมณ์ไม่เอาคําสั่งของอัลลอฮ์มาปฏิบัตินะครับอ่าต่อมาครับ าามังกาามุมินา ก, นกนา mangka n a v กันนั้นแล้วผู้สรทาจะเป็นเช่นผู้ฝ่าฝืนกันนั่นหรือและยสตาวูลพวกเขาไม่เหมือนกัน Allah, อัลลอฮ์ผู้อัคดีน้องนี่เป็นการให้เกียรตนะครับคนที่อ่านคุรานคนที่เป็นมุขมินอัลลอฮดูแลตลอนเลยคือขมงเหนุบบมานอัลลอฮก็ดูแล บรรดามินั้งหมดอัลลอฮ์ด i, i, AH, ah, Muhammad, them, ah, earth, ูแลแลคนที่ทาลายมุมินทาลายอิสลามอัลลอฮ์แก้แค้นแทนในบนเลยในวันเต็มอัลลอฮ์เล่าในักุรอ่านที่เราผ่านผ่านมานั่นแหละเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสาเหตุที่อายุที่ที่ลงลงลงเนี่ยลงอะไรนะลงิกุรอ่านกวันี้นะนาอัลีเนี่ยเป็นคนดีเป็นมุมินแล้วก็อีกคนย่งเป็นก่าเฟชื่อักบะอกบะ พุบบ้าคุณอุบ้าเนี่ยด่าเซนาอาีดา่าด่าแบบแรงๆเนี่ยนะเซน า, าลีาไไะนะพูดว่าคุณเป็นมุนะคุณเป็นฟาสิคมาด่าคนโมเมนต์อะไรเซนาลีก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเยอะอเพียงแต่พูดแบคุณเป็นคนฟาสิคถูกด่าเยอะๆนั มมนได้โต้ตอบพูดว่าคุณเป็นคนฟาสิคุณพูดธรรมะเห็นไหมและไม่อยู่เรื่องไยนาลีถูกอาวุจอะคอใช่ไหมไมย้ำนาโอกาเมนีถ้าฉันจะฆ่าคุณใครห้ามเซนาเกว่าอัลลอเพราะว่าอัลลอฮ์ดาบร่วมเลยอัะะลลอ์คุ้มครองมุสลิมเห็นยังครับเยนาเลีก็หยิบดาบมาแล้วก็เจอะจาไปที่คอบนกาบเป็น <c oughs> ไมยำนาโอกาเมนีถ้าฉันจะฆ่าคุณใครห้ามมันตอบไม่ได้อะมันก็ถมน้ำลายใส่ชนาใสนาลีสนาเลียก็อาดาบวางเลยเขาบอกฟันสิอ่บอกไม่ฟันทำไมล่ะถ้าฉันฟันเธอฉันฟันเพราะอารมณ์โกรธที่คุณถมน้ำลายใส่หน้าฉันเห็นยังครับนี่ซอบได้ดีเขาควบคุมอารมณ์ได้มั้ยสง่างามไหมวันนี้เรื่องมันพสรอยปี ยังถูกบรนเทาอยู่นะฮัดิสนะทุกคนยังพูดศาสนาอิสนนลามดีนะแล้วต่อมาคนคนนี้แหะม่นา่าพูดยากเลนี่คือความดีความมุ่มิ่งพูดสัท้าต่อเราจานั้นเราพยายามปรับตัวของเรา น, นั้นให้เหมือนกับจะเหมือนนบีและเหมือนซอฟานนบีก บ, บอกแล้วนะแต่สักครึ่งของท่านก็ยังดีนะครัเลยเพราะฉะนั้น อาฟะมังกานามุมินังกามังกานาฟาซิกฟาซิกอธิบางทีคนกาเฟ่ก็ได้หรือคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อโรซูลไม่เชื่อคัมภีรกุรอานไม่เชื่อตานแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีการสอบสวนกับอัลลอฮ์ในกระดูกอัลลอฮ์นะครับนี่คือควาฟาซิกคนฟาซิกกับมุมินเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันรางวัลตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้ก็ไม่เหมือนกันอยู่บนตุนยานี้วางตัวก็ไม่เหมือนกันทูกดา เยแต่คนคาเฟ่ถดย้อมไมล่ะโอ้โหมันถือดาบมาเลยบงาแต่คนมีนั่งยีอยเป็นต้นมดเวลาุานะลลอฮมะวะบิฮัมดิกลาอตัครกะวะอิลัยกศลลลฮะลฮวะอลีฮิวะซบบิอัจมิุลฮัมดุลลาฮิบิอลกนมานบ้าน